ท่านสาธุรชนพัฒบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามเรื่องการหนีบาปการปฏิบัติตนเรื่อการหนีบาปนี้แต่ว่าจะรอพูดให้จบรอคำอธิบายให้จบบรรดาท่านพัฒนบริษัทก็จะใช้เวลามากเกินไปจะดําคินาในการปฏิบัติคือกอการรับฟัง อนำมาคำแนะนำเขาองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิเจ้ามาพูดให้เขาใจเสียก่อนองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนําบรรดาแตนพุทธบริษัทไี่ว่าถ้าต้องการแยกพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรต เ, เกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์ฉาน จะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้ า, น, านิพพานสมเด็จพระ毗ชิตมารให้ทรงตัดสัญยชน์ทงสามประการคือหนึ่งส ก, กายยทิทิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้ เราจะไม่ยอมลงมบายภูมิทองสีมีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศกุลทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือ้งหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพะธรรมคำ ส, สอนขขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ยอมรับนับถือด้วความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนักถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อดีสามก็เป็นศิลปตปรามาตคือปฏิบัติในสินให้ครบถ้วนทุกรื่การด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครบถ้วนสําหรับพระวจ มีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีก ร, รมบฏสิบด้วยถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งก ร, รมบฏสิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมราญภกถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลาย เมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดีแลืวอีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พคบคําว่าบาเยกรมเลยการเกิดเป็นสนาร ก, ก็ดีเป็นปรี ก, ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสําหรับญแม้จะสัตว์ริษานก็ไม่เกิดในแดนนั้นเจียวเ ว, วียนไหวตายเกิดเฉพาะการเกิดเป็นคนเป็นทิวดาหรือพรหมเท่านั้นขอยําอีกนิดหนึ่ง เกือว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัดือการที่จะพ้นอวายภูมิต้องสี่ได้ขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตายเราปฏิจปฏิบัติเพิ่มก็เป็นการพ้นจากอบายภูมิต้องสี่เพื่อยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าก็ทำแร่พระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจและเต็มใจ พระครวตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้แต่ว่าให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทตศิษ์ด้วยจะดีมากจะเป็นคนที่มีความสุขที่มีความเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอบายภูมิทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีก ตอนต้นนี้ขอยย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบเพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ครบแต่บังเอิญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบหรมืมั้ง เป็นไอาวาเอาไปสวรรค์ไปพรทธมโลกได้ก็แล้วกันแต่การกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญรสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมก็ไม่พักอยู่ที่พระเทวดาหรือพรหมและไม่พักที่มนุษย์เราะสายการที่เป็นอุสนในการก่อน ที่ทำมาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปกุศลพาตนพุ่งหล่าวลงอเวจีมนานรุกไปบ้างลงนรกขุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างแปรสุรกายบ้างเป็นสตรีฉันบ้างอย่างนี้ก็มีรวมความว่าถ้าทําตนไม่ยกโทนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่จะลงมาที่ไม่แน่ ไม่ใช่แค่ค้างที่มนุษย์แอบอาจจะไปค้างที่นรกก็ได้เปรก็ได้สติกายก็ได้สติชัยก็ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมคำชั่วเก่าทํานําผลโดนใจตนทํำให้เกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปเวจีมารรกตอนนี้ก็มีมาก เรื่องความว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททงหลาจะหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนครบทั้งสามราการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของดเรื่องที่จะพูดถึงพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อย่ขอนําเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้า ไม่ขาดสารนาคมคือไม่ทำลายพระพุทธเจ้าไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ไม่ได้ทำลายสินแต่ว่ามีอารมณ์ฟุ้งพาฒตนให้ไปเกิดในอบายภูมิมีกายเกิดเป็นสัตย์ชันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งมี่ขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศีลเดี๋ยวจะหาว่าคนละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีศีลที่อย่างจะต้องลงนรก ที่ปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการทําลายศินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยโศกกันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้เข้ามนดาสาวะโ ก, กองสมเด็จพระชินวร คั้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มเป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าค่ะความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะแล้วก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาของที่จะฟังกันสามสิบนาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทาน แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขีนยนในบาลีเรียกว่าพระสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตรแต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกหลอกไม่ใช่โกหกมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่ามืองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสัดาสัมมาทิพทธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระปรมครูแสดงวัรรมธีนาสอนบรรดาเต็นพุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมาก แต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆหนึ่งในจานวนที่มีคนดีจังหลายหลายคนนั่นคือพ ร, ระเจ้าประสีนทิกโกศลประสัตดิ์ของเมืองวอ่ของเมืองราชเจ้าขาโทษมันนึกชื่อเมืองไม่ออกเสียแล้วนะ พระเจ้าปสีนาที่กรุ อ, องค์นี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสุทธทศกัณฐอย่างยิ่งต่อมาองค์กับพัญญาที่มีนา ม, นามราพระนามมณีกาพระนามมณีกานี่ก็มีความเคารพอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนามมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคคลอื่นจะพึงทําได้ คือว่าคำน้อยคำใหญ่ที่เป็นคำไม่ดีไม่เคยพูดการกระทาเล็กกระทาน้อยกระทาใหญ่การกระทาไม่ดีทางกายไม่เคยทำอารมณ์ใจเขาว่านางเต็มไปด้วยอารมณ์เขากุศลเคยถวายอธิษฐานแ่องค์สมเด็จพระทศกัณฐ์อธิษฐานนี่เป็นทานนี่มีปัญทานใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ จะมีคนถวายอุทิศฐานครั้งเดียวในชีวิตและก็คนที่จะถวายอุทิศฐานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แก่พระ น, นางมริกาเทวีถ่านนางมริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มโนนเรียบร้อยมากไม่เคยทำความชั่วมาก่อนเกือเหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ปดกองทั้งผืน บางเอญถ้าไปเพื่อนอะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่งเวลานั้นเขายังไม่เขายังมีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านนา่ก็นอนกับพ ร, ระเจ้าประสินทิโกสนคืนนอนกันคืนก็ดับไฟไม่นก็มิด ต่อมาพนางปวดปัสสาวะขอพูดภาษาชาวบ้านใช้ราศาสับก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็นอย่าลืมว่าพระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลอยู่เมืองพารานสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนปวดจำด้วยพนางจะไปถ่ายปัสสาวะบังเอิญเท้าวขวาเขาพ น, นางสะดุดทราบ่ายคือเท้าของพระราชสาวามีเขา เอียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพ น, นางเสียใจมากที่ว่าตัวเองทําความชั่วมากร่ากายพ น, นางมีความเคารพ ร, ราชสวามีคล้ายพระคล้ายพระราชบิดาล่อราชาสัต์หน่อยก็เรียกว่ามีความเคารพผัวเหมือนพ่อเสีย อ, อกเสียใจแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเนสนที่โกศลก็สอบถาม ว่าเสียใจเรือร่องอะไรพระปรางค์กฎมนาเล่าใหา้ทราบพระเจ้าประเสริฐนาธิกโกศลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะหนาจจาักใจไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นมีความผิดฉันก็ภัยหาแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัตรับฟัง แล้วก็หนูหน้อยที่นั่งฟังอยูรร่รสทราบว่าท่านางบณิกานะ่ดีมากเพราผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ทั้งผืนแต่บางเอิญมีคนน้หมึกสีดำและสีแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้าน่าสะอาดทั้งผืนเมื่อแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดเปว่ยเห็นมา ไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสุกกระบกสุกโรกถ้าหมึกไปแต้ม น, นิดนิดหน่อยหน่อยมันจะมองไม่เห็นสีมันกล้องสุกประกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสุกปรกมีวาจาสุกปรกมีใจสุกปรกถ้าไปกระทบกระทั่งเท่านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก้ยังไม่มีความผิด ย, ยังมองยังมองไม่เห็นความผิด แต่ความจริงมันผิดความจริงมันชัว่วแตยความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมานสูงกว่านั้นจริงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอจิตใจเศร้าหมองหน้าตาใไม่ชื่นมาพบพระราชาสวามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพันนานก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดว่าโตทําความผิด อย่างนี้ต่บรรดาท่านพุทธบริษัทต่ตอมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านานางทรงไปชนคือปวยไข้ไม่สบายเมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปฏิวัติคิดว่าเรานี่เลวเหลือเกินเอาเท้าไปสะดุดเมบายเขาว่าสวามีเข้าเรามันชั่ว จิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกตึ๊งตัวว่าตัวเลวนิจเกี่ยวบรรดาแต่พวกสัตวน์นี่ต้องจํ <c oughs> นานางก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความเคารพปีดามัามรบบดาพอใจในการให้ทานมีความเคารพระราชสวามีมค่าบิดาร่างกายของ น, นางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัว เครื่องประดับบัญญาก็เต็มเหมือนเต็มยศมานาฟ้าทั้งหมดแต่ปลายกฏว่าพระอาศัยอารมณ์ชั่วนิดหนึ่งคล่องใจนิดหนึ่งพาวรร น, นางนี้ไปนรกก็ไม่ทราบว่าขุมไหนเหมือนกันไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้เราซื้อมากลางนึกไม่ออกว่นานรกขุมไหน ตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชสวามีแสดง ว, ว่าเวลานอนนะักก็จะนอนข้างขวาแล้วก็ซ้ายก็ไม่ราบเอาเท้าที่สะดุดเท้าของพระสามีนะั้นไปแย่ดูในไฟนรกสิ้นเจ็ดวันของมนุษย์แต่ความจริงนรกแต่ขุมเนี่ยวันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็ดวันของมนุษย์ นรกขอมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเก้าล้านปีของเราเทียเท่าวันหนึ่งของเขาจะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้าในเมืองนรกจะรู้สึกแย่แป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาท่งนั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากัน เวลาของเรานี่ปายเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มเศร้าหมองไม่ได้ทําชั่วคิดว่าชั่วทำำํากําไลกําลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวนี่แล้วเท่านี้จะบรรดาทรรมพุทธบริษัทขอบรรดาธรรมพุทธบริษัททั้งหลายจงจําคำสอนสอนองทุนเดชพระสามาธรรมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสัพพ ป, ป, ปาปัจจัยกรรนังองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจนละจากความชั่วทุกประเภทละทั้งกายละท้งวาจาละละทางใจสองกฎสรสูปะสัมธา ยงทำแต่ความดีคือกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตะปริโธทะปันนังทำจิตให้ฟ่องใสาจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสกัอารมณ์เศร้าหมองตาจะลงความข้องใจบทดไปจากใจนึกไว้แต่ในได้ของความดี สมเด็จพระจีนอสีสอนสามรายการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทําได้อย่างนี้จริงๆคําว่านารกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่แต่เรื่องนี้ก็ไปกินหน้าเส่นใดที่วานางมณิกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมคือทํำด้วยทางกายพูดดีวาจาคิดด้ใจ แต่นันที่สุดพอก่อนยาตายพา่อนานก็ประจำจิตเศร้าหมองมันนึกถึงว่าตัวทำชั่วตัวความผิดทำผิดอย่างนี้จิตมันก็เศร้าหมองแค่นี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทต้องตกอเอาแขยยขายแล้วเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุม่มไปแย่นันรกที่เจ็ดวันมนุษย์ทุกท่านที่รับฟังยจยคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนัก ตามธรรมดานของเราเนี่ยเขาถ่านของทุกที่จุดแดงๆแย่แป๊บเดียวเราก็สะดุด้วยแล้วถ่ายข้าบุหรี่แย่แป๊บเดียวเราก็สะดุด้วไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปเมื่อเขาดึงเอาทุกข์และบุหรี่ออกไปแล้วฉันใดทุกข์กับทรมายุเขบรรลามรดิกาเจ็วันไม่ใช่เดืองเล็ก เมื่อพระ น, นาเมริกามีความดีขนาดนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันคือพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพระราชาสวามีข้าว่านางพระนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมในบรรดแาแทนพระธบริษัจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระค์หันอยู่ตั้งเยอะ แต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทาไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระอรหันต์จึงไม่ช่วยเขาทําบุญขนาดหนักหนามากกับกคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายอุทิศถานได้แต่พระนางมริกาทําได้ขนาดนี้แล้วทําทไมสมเด็จพระจินสีจึงไม่ช่วยอย่าย่องเป็นด่าพระพุทธเจ้าเขา อย่าย่องไปบรรณาธิธรรมคำสอนสอนของสมเด็จพระสัมมาทัมมิตรเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริอยสงฆ์เข้าบาปจะหนักแต่ดายะตะมานี่คงไม่เป็นไรเพราะพระประเภทนี้เนี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อยจะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่ากับอรหัรแล้วก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงตรงตรงไปตร ง, ตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า เคารพในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรวิดกพระธรรมกถาแล้วก็มีความเคารพในศีลตามสงฆ์นี่ความดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้แค่ไหนไม่ท ร, บราบก็คิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยวัปุตตะเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นปรโษนดาบันก็ไม่ก็คงไม่ได้เป็นสิกิตาคามีเหรือนาคามีหรือพระราหน์นี่การเป็นพระยเ จ, จ้าท่านตั้งกันนั่นเปล่าเนี่ยแตมาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจีนังศรีมัตเอเจบมีคนมาลุกทำมาพิสมัยบ้างเห็นโวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถิงธรรมเป็นวสุดาบ้างสิทาคามีบ้างอนาคามีบ้างมีบ้างปาหลันบ้างแล้วพระพทธตาบาลีก็ตกว่าเวลานี้เทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งหรือเปล่าแรรมาก็ไม่ทราบก็ขอยืนยันได้ว่าธตรมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่คุยความดีเล็กๆหน่อยน้อยกระจุงกระจิ๋มไม่มากเกือบมองไม่ไปอเห็นเท่านั้นแล่นก็อีเวนตการหนึ่งที่พระโอดยชนได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีประเภทนี้ก็จะไม่ยอมถอยจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวั น, กกวนจนกว่าจะตาย อย่าโยมทีไหลที่ตั้งฟังก็ตั้งคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะไปนึกนะว่าธรมาเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขั้นเสริงขั้นสู ง, ข, สงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้เหมือนกันก็ตกใจขอโทษแต่อย่าตั้งอะไรในความเป็นพระอริยเจ้าเรามาคุยกันในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมือนกัน เวลานี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่สามนาทีเสร็จก็ขอคุยกับบรรดาญยยาจงที่เป็นสาวากของ์สมเด็จพระปร ม, มาลกอันเชกว่าขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดอยู่ว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศีล สองไม่เคารพพระพุะทธเจ้าพระธรรมพระอเดียสง์และปรามาในท่านเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาสิตว่าจิตเตสังคีริเต ท, ทุกติปาริกังขาท่านกล่าวว่าบุคคลใดก่อนจอะาตายก็อย่าตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมือเร์ไม่ผอนใส่คาว่าเศร้าหมองนี่อารมณ์ไม่ก่อบุญสิ่งที่เป็นบุญโดยบุศลไม่ก่อ คือไม่นึกยอมรับนับถืองพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือไม่นึกถึงทางการให้ไม่นึื่องสิ่งที้เคยรักษาไม่นึกถึงเที่ยที่เคยฟังถ้าลมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จัดถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างพระนางมันมพระนางมณีการนี่สิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาป คำว่าบาปนี่ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของพ ร, ระราชาสภามีเนี่เพอชั่วแน่แต่ว่านางมริกาไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไมไ่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาเทพวัตถุสัตวเพียงเท่านี้ท่านายก็ต้องตกนรกเสียเจ็ดวันตกนรกแค่ตาตุม่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์ รวมความของบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายลนำมาระวังในจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีเอานึกยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนับถีพระธรรมหนึ่งยอมรับนับถีพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ พยายามนึกถึงที่เราสิ่ที่เราต้องปฏิบัติพยายามร ะ, ะมะัะมะดระวังให้ครบถ้วนนึกถึงทางการบริจาคนึกถึงความดีของเทว ด, ดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึง่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ได้ครบอง ท, งทั้งหมด องสมเด็จพระบรมสุคตตอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในกลายก่อนจงอย่าตามนึกเพียงมันนึกที่กรรมดีที่ทำไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้ไปสุขเข้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองดุฬิกาหรือเวลาไม่ถึงเสี่ยวขรึ่งนาทีสำหรับในตอนที่สามนี้ก็ขอยุติวาตเพียงเท่านี้เวลามันหมด อาสาวก็องค์สมเด็จพระรัมยสุคดคือสัมมาทัตุเจ้าทุกท่านจงมีเดชความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจัตุรัสพิตรพรชัยดังสี่เบญการมีอายุวรรณะสุขภพระและปฏิภาณหาทุกท่านเพึงประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปพัฒนาจริญเบการสวัสดี